ทีนี้มาดูในกิจของอริยสัจส oh. กิจของอริยสัจสี่อย่าลืมนะอริยสัจสจริงๆนั่นนะ่ะพระพุทธเจ้าตรัสตรัสรู้นะ่ะสามรอบสามครั้งใช่ไหมครั้งที่หนึ่งสัจจยานสัจจะปัญญาอย่างรู้ความจริงของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ รู้ว่าทุกข์คืออะไรรู้ว่าสมุทัยคืออะไรรู้ว่านิโรธคืออะไรรู้ว่ามรรคคืออะไรนั่นรอบที่หนึ่งที่พู้เจ้าเข้าไปตรัสรู้เรียกว่าสัจจญาณแต่ถามว่าเมื่อพู้เจ้าเข้าไปตรัสรู้สัจจญาณของอริยสัจสี่นั้นน่ะเป็นพระุทธเจ้าแล้วหรือยังยังนั่นหมายความมารู้แต่อริยสัจสี 4, ดด่ดับทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมดับทุกข์ไม่ได้ รู้แต่ภาคสุดิทฤษฎีดับทุกข์ไม่ได้รู้แต่ปริยัตดับทุกข์ไม่ได้ต้องปฏิบัติ ด, ด้วยต้องปฏิบัติ ด, ด้วยนั่นแหละพระองค์ได้ตรัสรู้ในรอบที่สองหรือว่ากิจยานกิจยานรู้ว่าปัญญาอย่างรู้ว่าหน้าที่ในการปฏิบัติของอริยศาสต์ทั้งสี่นั่นน่ะจะปฏิบัติอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไร โดยพระองค์เข้าไปรู้เลยทีเดียวว่าอ๋อทุก์ต้องกําหนดรู้สมุดทายเหตุให้เกิดทุกคือตัณหาทั้งสามต้องละนิโรธการดับทุกต้องกระทำให้แจ้งกระทำให้แจ้งอย่างไรตามปกตินิโรธดับทุกนั่นนะก็คือดับตัณหาดับตัณหาสาแต่ถามว่าพราะองค์ให้ดับ โดยตรงที่ตัวตัณหาสามเลยหรือเปล่าต้องไปดับที่เหตุให้เกิดตัณหาสามอะไรเป็นตัวเหตุให้เกิดตัณหาสาม อ, อะไรเป็นตัวเหตุให้เกิดตัณหาสามาวิชาอาวิชาเพราะฉะนั้นในนิโรธในนิโรธที่ว่าดับทุกข์นั่นน่ะไม่ใช่ดับโดยตรงที่ตัวตัณหาสาม ไปดับที่เหตุที่ให้เกิดตัณหาสามคืออวิชชาเมื่ออวิชชาดับตัณหาสามก็ดับตัณหาสามดับทุกสิบสองประการก็กําหนดรู้ได้อย่าลืมนะไอาการที่จะกําหนดรู้ทุกได้นั้นน่ะถ้ามันยังตัณหามันยังเต็มหัวใจอยู่ถามว่าจะกําหนดรู้ทุกไหมนี่แหละที่หลายๆายคนเขาบอกว่าไม่ทุกนี่เขาไม่ทุก ทีนี้มันมันพูดกันคนละเรื่องในเรื่องเดียวกันนะใช่ไหมถามว่าเขาจะมองเห็นทุกข์ไหมคนที่อยู่กินอยู่อย่างสบายใช่ไหมมีเงินมีทองใช้อยู่อย่างสบายเขาไม่รู้ทุกข์หรอกเพราะอะไรเพราะตันหามันยังเต็มหัวใจอยู่เหตุมันยังเต็มหัวใจอยู่มันจะไปรู้ทุกข์ได้อย่างไรไม่รู้หรอกต้องให้ลดตัญหาต้องละใช่ไหม ต้องละตันหาลงได้บ้างถึงจะสามารถกาหนดทุโรธทุกได้และการที่จะละตันหาได้นี่รอดต้องกระทาดับตัวเหตุของตันหาคืออวิชชาลงให้น้อยลงต้องกระทำให้แจ้งให้เคลียก็คือการดับอวิชชาให้เคลียแล้วนั่นแหละตันหาสามมันก็จะลดจะละลงมา ถึงจะสามารถกำหนดรู้ทุกได้ทีนี้การที่จะนิโรธกระทำให้แจ้งดับอวิชชาได้อวิชชาคือความไม่รู้ธรรมะอะไรที่จะดับอวิชชาได้ความไม่รู้ได้มันก็ต้องเป็นวิชาใช่ไหมต้องเป็นวิชาต้องเป็นวิชาเท่านั้นที่จะดับอวิชชาได้วิชามาจากไหนมาจากปัญญา อริยมรรคมโยงแปดเมื่อยอดลงมาแล้วศีลสมาธิไหลปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต้องมีศีลเพราะสุดท้ายเราต้องการตัวปัญญาใช่ไหมสุดท้ายมรรคต้องทําปัญญาให้กับนิโรดนิโรดจะได้เอาปัญญานั้นแหละมาเป็นเอาเป็นวิชาที่จะเป็นดับอาวิชาเพราะฉะนั้นมรรคนี่จะต้องเจริญขึ้น คำว่าจเจริญขึ้นทําให้มีขึ้นทําให้เกิดขึ้นทําให้มากขึ้นก็คือทําปัญญานั่นเองก็คือทําปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นในกิจของอริยาาสัจสี่นี่เนี่ยที่ว่าทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องกระทําให้แจ้งมรรคต้องจเจริญขึ้นถามว่าเราแยกกันไปปฏิบัติอย่างนั้นหรือไม่ใช่ไม่จำเป็น เพราะอะไรเพราะอริยสัจทั้งสี่นี้ต่างก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเหมือนกับห่วงโซ่อย่างไรมรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผลนิโรธเป็นเหตุสมุทัยเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุ ทุกเป็นผลถ้าท่านยังพิจนาไม่ออกพิจนาแต่ละคู่ทุกนี่เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกเพราะนั้นอย่าลืมพุทธศาสนาของเราตั้งอยู่บนหลักการของเหตุและผลเท่านั้นผลย่อมมาจากเหตุไม่มีเหตุผลเกิดขึ้นไม่ได้ เหตุอย่างหนึง่งผลอย่างหนึง่งเหตุอีกอย่างหนึง่งผลอีกอย่างหนึง่งเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลไม่ดีเพราะฉะนั้นสมูทไทยนี่เป็นเหตุตัณหาเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าคู่นี้แล้วก็สมุทไทยเป็นเหตุทุกข์เป็นผลคู่นี้คู่นี้มัร ก, กับนิโรธมัรเป็นเหตุนิโรธเป็นผลเพราะมารทาปัญญาขึ้นมา ส่งให้กับนิโรดนิโรดก็เอาปัญญามาดับอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาดับดับได้เพราะปัญญาของมรรคเพราะฉะนั้นแสดงว่ามรรคเป็นเหตุนิโรดเป็นผลคู่นี้ก็ชัดเจนระหว่างสมุทัยกับ น, นิโรดนิโรดดับอวิชชาดับเหตุให้เกิดตัณหาถ้าอาวิชชาดับตัณหาสามก็ดับเพราะฉะนั้นนิโรดเป็นเหตุ สมุทรไทยเป็นผลแล้วเมื่อเอาทั้งสี่ประการนี้มาวางเรียงกันเข้ามักเป็นเหตุนิโรธเป็นผลนิโรธเป็นเหตุสมุทรไทยเป็นผลสมุทรไทยเป็นเหตุทุกเป็นผลเพราะฉะนั้นเรากระตุกที่มักอันเดียวใช่ไหมกระเทือนทั้งหมดใช่ไหมเรากระตุกที่มักอันเดียวกระเทือนทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติภาวนาเนี่ย ศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ได้หมายความว่าเราปฏิบัติมรรคอย่างเดียวใช่ไหมเราปฏิบัติทั้งอริยกิจนะของอริยศาสตร์ทั้งสี่นะกิจของอริยศาสตร์ทั้งสี่นะกระเทือนไปทั้งหมดเราปฏิบัตินี้เพื่ออะไรเพื่อไปกำหนดรู้ทุกเท่านั้นเองเพื่อไปกำหนดรู้ทุก ในขณะนี้คนปกติธรรมดาเนี่ยกำหนดรู้ทุกได้ไหมยังไม่ได้คือการที่จะเข้าไปรู้ทุกการเกิดการตั้งอยู่ดับไปของขันหา้าการจะกป็นารู้ทุกได้นั้นมันต้องละตัญหาบ้างบางส่วนใช่ไหมถ้าตัญหามันยังเต็มหัวใจอยู่ทั้งกามาตัญหาทั้งภาวะตัญหาทั้งวิภาวะตันหามันยังเต็มหัวใจอยู่ ถามว่ามันจะไปกําหนดรู้ทุกได้ไหมไม่ได้อย่างเทวดานี่ใช่ไหมเทวดานี่ถามว่าเทวดานี่มันรู้ทุกไห ม, มเทวดานี่มันสุขทุกอย่างโลกแต่ว่าเป็นสุขอย่างโลกีสุขใช่ไห ม, มสุขทางด้านมีการมันเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเทวดาไม่มีรู้ทุกเลยเพราะฉะนั้นเทวดาน่าจะไปนิพพานได้ไหมไม่ได้ เทวดาไม่สามารถจะไปนิพพานได้นะใครอยากไปเกิดเป็นเทวดามนุษย์เท่านั้นนะที่ไปนิพพานได้ใครอยากไปเกิดเป็นเทวดานะันอ่ะโอ้ไปไม่ได้หรอกเพราะมันไม่เห็นทุกข์หรอกมันไม่เห็นทุกข์หรอกเมื่อไม่เห็นทุกข์ไอการที่จะเทวดามาปฏิบัติเพื่อการดับทุกขนะ์เนี่ยมีไหมไม่มีใช่อืมมนุษย์เท่านั้น เพราะฉะนั้นนี่แนหะคื อ, เ, อเร า, เามันเป็นห่วงโซ่กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นที่นี่ก่อนต้องเริ่มต้นคือเจริญมรรคที่นี่ก่อนพรุทธเจ้าบอกเลยว่ามรรคจะต้องเจริญขึ้นก็คือคําว่าภาวนานีะนะ่ยแหละภาวนานี่ยแหละแปลว่าทําให้เจริญขึ้นคือทําศีลสมาธิปัญญาให้เจริญขึ้นเมื่อศีลสมาธิปัญญาเจริญขึ้นแล้วทั้งหมดนี่แนหะคือมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติใช่ไหม เราจะต้องไปกระทําให้แจ้งไหมจะต้องไปละพุ่งนี้ไหมไม่ต้องเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เราละตัณหาละตัณหาในการที่จะละตัณหานั้นะมันต้องทําที่นี่เริ่มต้นที่นี่มันจะไปละตัณหาโดยตรงไม่ได้หรอกอมมันไม่ใช่แบบถอนรากถอนโคนอันนี้มันแบบถอนรากถอนโคนเลยใช่ไหมพอเรามีปัญญาภาพเนี่ยปัญญานี้ก็จะมาทําให้ก็จะมาดับไอ้อวิชา ถอนลาบถอนโคลใช่ไหมดับอวิชชาเมื่ออวิชชาดับไอ้ตัณหามันก็ตรงละไปเองมันเป็นไปนโดยอัตโนมัติที่พระเจ้าตัดว่าไอ้อวิชชาเหมือนกับความมืดแสงสว่างเหมือนกับปัญญามันตามปกติเมื่อห้องนี้มันมืดเราเข้ามามันก็มองไม่เห็นอะไรเลยแต่พอแสงสว่างมาเท่านั้นไอ้ความมืดมันก็หายไปเองเราไม่ต้องไปไล่ความมืดใช่ไห ท่นใดก็ดีอวิชชาเหมือนกันเพราะปัญญาเกิดอวิชามันก็หายไปถ้าปัญญาเกิดน้อยอวิชาก็หายไปน้อยปัญญาเกิดมากอาวิชาก็หายไปมากอืมเพราะฉะนั้นนี่แหละต้องโยมต้องเข้าใจภาพรวมอันนี้เพราะพอไปพิจารณาในเรื่องของวิปัสสนาญาณที่จะพูดกันต่อไปนั้นนะ่ะถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปสงสัยว่าทําไมจะต้อง ให้เกิดยานอย่างนี้ตํงาตงไมทไมต้องพิจารณาอย่างนี้มันไปเกี่ยวข้องกันมันสัมพันธ์กันอย่างนี้มีใครจะถามปัญหาอะไรไหมให้เข้าใจอรอบที่สามกะตายานหมายความว่าผู้เจ้าพอ การสรูย้ยานรอบที่สองผู้เจ้าก็ลงมือปฏิบัติทันทีพระเจ้าก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าท่านจะท่านจะมันนั่นขึ้นมาเป็นผู้เจ้าเฉยๆไม่ใช่ผู้เจ้าก็ต้องปฏิบัติอยายัสัตย์สีเหมือนกันก็คือเจริญศีลสมาธิปัญญานี้จนกระทั่งเกิดยานที่สามรอบที่สามกะตะยานแปลว่าปัญญาอย่างรู้ ผลของการปฏิบัติในรอบที่สองรู้ว่าอย่างไรรู้ว่าอบัดนี้ที่บอกว่ามักที่บอกว่าจะต้องเจริญขึ้นนั้นบัดนี้เราได้เจริญขึ้นเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เกิดปัญญาอย่างรู้เกิดญาณอย่างรู้ <c oughs> ที่บอกว่านิโรธจะต้องกระทําให้แจ้งนั้นบัดนี้เราก็ทําให้แจ้งแล้วกระทําให้แจ้งของนิโรธก็คือการดับอวิชชาดับอวิชชาไม่เหลือที่บอกว่า สมุทัยต้องละนั้นบัดนี้เราได้ละเรียบร้อยแล้วเพราะาวิชามันดับตัญหาสามมันก็ดับที่บอกว่าทุกจะต้องกำหนดรู้นั้นบัดนี้เราได้กำหนดรู้ทุกแล้วกำหนดรู้ทุกอันไหนรู้ทุกของการของขันห้ารู้ทุกของขันห้าขันห้าทุกตัวทุกขันห้าตัวไหนตัวเกิดตัวแก่ตัวตายทุกอยู่ที่ ตัวเกิดใช่ไหมทุกอยู่ที่ตัวแก่ทุกอยู่ที่ตัวตายถ้าไม่เห็นการเกิดไม่เห็นการแก่ไม่เห็นการตายจะเห็นทุกไหมเพราะตัวทุกอยู่ที่ตัวเกิดเพราะนั้นนี่ไงพระเจ้าจึงสอนให้เราเข้าไปพิจารณาความเกิดความเกิดขึ้นของรูปนามขันหะความตั้งอยู่ของรูปนามขันหะความดับไปของรูปนามขันหะ เพราะตัวทุกข์มันอยู่ที่ตัวนั้นใช่ไหมโอ้อันนี้หลวงปู่จวนหลวงปู่จวนที่ผูดทอกหลวงปู่ย้ําไม่นักหนาเลยการที่จะไปหมดรู้ทุกข์ก็ตัวทุกข์มันอยู่ที่ตัวเกิดหลวงปู่ย้ําอย่างนี้เลยสมมไหมนะ่ะความทุกข์คือความเกิดใช่ไหมทุกข์คือความเกิดทุกข์คือความแก่ทุกข์คือความตายถ้าไม่ได้เห็นเกิดแก่ตายแล้วจะไปเห็นทุกข์ได้อย่างไร บางคนก็บอกโอ้ตองเกิดมาไม่รู้นี่เกิดจนท้องแม่มาตอนนั้นยังไม่รู้ตอนตายนี่ยังไม่ได้ตายนี่ก็ไม่ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ของขันห้าขันห้ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่ตายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมต้องเข้าไปดูทุกข์ของขันห้าขันห้ามันเกิดขันห้ามันแก่ขันห้ามันตายถ้าไม่เห็นความเกิดไม่เห็นความแก่ไม่เห็นความตายเราจะเห็นทุกข์ไหม ใช่แน่นอนตอนนี้เราไม่เห็นหรอกเพราะตัณหามันยังเต็มหัวใจอยู่ต้องละตัณหาบางส่วนลงถึงจะสามารถเข้าไปกำหนดรู้ทุกข์ของกันท่าได้จะละตัณหาบางส่วนลงต้องกระทานิโรธให้แจ้งบางบางส่วนดับอวิชชาบางส่วนจะดับอวิชชาบางส่วนต้องจเจริญมรรคตามลําดับอย่างนี้เหมือนต้องเริ่มต้นต้องเริ่มต้นต คือกตายานนั่นคือรู้ผลของการปฏิบัติเกิดปัญญาอย่างรู้เองเกิดปัญญาอย่างรู้เองรู้ว่าบัดนี้ได้ได้ปฏิบัติทั้งสี่นี้เรียบร้อยแล้วนั่นคือกตายานอ่าวกตายานถูกต้องถูกต้องประยัติปฏิบัติปฏิเวทเพราะฉะนั้น เรียนปฏิยัติปริยัติอย่างเดียวน่ะใช่ไมไม่ปฏิบัติน่นะมันจะเกิดผลปฏิเวทไหมไม่เกิดใช่ใช่ใช่ อ, อ, อ, ชอาจาอชปฏิบัติคบคมมาอลปฏิลม า, มาปฏิบัติเองเลย<ช>ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่น่รู้แต่ปริยัตรรู้แต่ทฤษฎีอย่างเดียวดับทุกข์ไม่ได้ แม้แต่พระองค์ท่านก็ต้องปฏิบัติใช่ไหมพระองค์ท่านก็ปฏิบัติปฏิบัติจนกระทั่งถึงรอบที่สามไอ้ปัญญารอบที่สามนี่นะมันเกิดขึ้นเองเกิดปัญญาอย่างรู้ขึ้นเองอ <c oughs> ต้องเริ่มแยกรูปแยกนามให้ได้โยม อันนี้นิยมเพิ่งมาใช่ไหมคื อ, อตามปกติเนี่ยในในภาควิปัสสนาเนี่ยเริ่มต้นต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนต้องแยกรูปแยกนามให้ได้อะไรคือรูปอะไรคือนามตามปกติในขันห้าขันห้ายมทราบแล้วใช่ไหมว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมโยมในขันห้านั้นน่ะ รูปก็คงเป็นรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามอืมนี่เป็นรูปเป็นนามอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเป็นรูปทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปทั้งหมดอืม นามกนะ็คือนามเวทนานามสัญญานามสังขาร น, นามวิญญาณคือรูปกับนามเนี่ยย่อมาจากขันท่ารูปกับนามย่อมาจากขันท่ารูปก็คงเป็นรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามแต่จำหลักไว้ง่ายๆว่านามคือาธาตรู้หรือสภาพรู้ นามคือธาตรู้หรือสภาพรู้ส่วน ร, ร, ไ ร, ไรูปรู้อะไรไม่ได้เลยรูปรู้อะไรไม่ได้เลยรูปมีแต่แตกสลายอย่างเดียวอืม หลวงปูย่ย้าไว้อย่างนี้เสมอเลยมนุษย์โรคนี่นะกลางอยู่กึ่งกลางของภพภูมิสุขติภูมิทุกขติภูมิหลวงปู่มั่นย้าไว้เสมอเลยว่ามนุษย์โรคเรานี้นะเป็นเป็นอัคร อัคราฐานเลยเป็นพวภูมิที่ประเสริฐที่สุดเป็นพวภูมิที่ประเสริฐที่สุดเป็นพวภูมิเดียวเท่านั้นที่จะบรรลุไปสู่แดพนดพระนิพพานได้พวภูมิอื่นไม่มีทางไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือพรหมแต่ว่าพรหมนั้นนะ่ะมียกเว้นชั้นพิเศษที่บรรลุอนาคามีแล้วจากจากมนุษย์แล้ว ก็จะไปเกิดบนชั้นสุดทาวาสที่ว่าห้าชั้นนั่นและแล้วก็จะไปนิพพานที่โ น, น่นแต่ว่าพรหมอื่นๆไม่มีโอกาสนะไม่มีสิทธินะต้องเป็นพรหมที่ไปจากอนาคามีจากมนุษย์เท่านั้นเพราะนั้นพรหมอื่นๆก็ไม่มีโอกาสพรหมอื่นๆ น, นั้นยังเกิดมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรชนันอาจจะไปตกนรกอีกก็ได้ ยังไม่พ้นทุกข์ต้องเวียนตายเวียนเกิดไปอีกเพราะฉะนั้นหลวงปู่นั่นไว้เลยว่ามนุษย์มนุษย์เราเท่านั้นที่ว่าประเสริฐที่สุดในฐานอยู่ในฐานะของอักครสถานะเลยหลวงปู่ใช้คำว่าอักครสถานะเป็นฐานะที่เลิศที่สุดเป็นฐานะเดียวเท่านั้นที่จะไปพระนิพพานได้ ใช่นิพพานทั้งสองอันก็คือเรื่องของใจเท่านั้นที่ว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะบรรลุเป็นพระสัมมาสัพทธเจ้าเป็นที่ไหนเป็นที่เนื้อหนังมังสาหรือเปล่าเป็นที่ใจใช่ไหมเป็นที่ใจใจเข้าสู่แดนพระนิพพานใช่ ทั้งขันห้าทั้งขันห้าด้วยขันห้าดับขันห้าดับไม่เกิดอีกแล้วขันห้าดับไม่เกิดทิ้งขันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทิ้งขันหรือละขันไม่มีขันอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นขันห้ากันหนึ่งขันสี่ไม่มีไม่มีแล้วอย่าลืมนะจิตที่เข้าสู่แดนพระนิพพานไม่ว่าจะเป็นของพระสมมาผู้เจ้าเป็นของพระอรหันต มีลักษณะที่สําคัญสี่ประการอะไรลักษณะที่สําคัญสี่ประการอะหนึ่งว่างคือสุญญตาว่างจากอะไรว่างจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่างจากตัวตนใช่ไหมว่างจากเจ้าของอืนี่ว่างเป็นสุญญตาลักษณะที่สองอะ วิสุทธิยาสะอาดสะอาดปราศจากสิ่งโสโครกอะไรปราศจากสิ่งโสโครกอะไรกิเลสโลภะโทสะโมหะไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไห ม, มประการที่สามอาพาอาภาสว่างสวายด้วยปัญญาไม่มืดมนโอนการ อย่างแต่ก่อนที่ประกอบด้วยอวิชชาต่อไปแล้วใช่ไหมไม่มืดมนองตรการด้วยอวิชชาต่อไปแล้วบันนี้จิตของท่านสว่างสวายด้วยปัญญามีความเป็นอยู่ด้วยปัญญามีความเป็นอยู่ด้วยปัญญาประการสุดท้ายฮะสงบสันติใช่ไหมสันติสงบจากอะไรสงบจากอะไรฮะ สงบจากอะไรไม่ได้พูดอย่างนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดอย่างนี้สมุสงบจากอะไรสงบจากการปรุงแต่งใช่ไหมสงบจากสังขารใช่ไหมบัดนี้สังขารปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมนิดสังขารก็ปรุงแต่งให้ยินดีเกิดความชอบใจหัวเราะใช่ไหม นิดหนึ่งสังขารปรุงแต่งให้เกิดความยินไล่ไม่ชอบใจใช่ไหมนั่นใจตกใจของเราตกเป็นทาสของสังขารใช่ไหมมันปรุงแต่งเราอยู่ตลอดเวลาที่หลวงพ่อเปรียบเสมือนอะไรเหมือนตัวหุ่นกระบอกใช่ไหมแล้วแต่สังขารมันจะจับเชิดใช่ไหมแล้วแต่สังขารมันจะจับเชิดไปแต่บัดนี้จิตของท่านสงบสังขารปรุงแต่งไม่ได้ต่ออีกไปแล้ว เห็นไหมพระท่านบางสกุลว่าอย่างไงตอนสุดท้ายนะ่ะพระท่านบางสกุลว่าอย่างไงอนิจจาวัรสร้างข่าราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตตวานิรุชันติแต่สร้างวูปะสโมสโอสุโขโอเนธแปลได้นี่ความหมายลึกซึ้งมากนะอนิจจาวตรสร้างฆ่าราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง นี่แหละไอ้ตัวสังขารที่มันปรุงแต่งกิตเรานี่นะสังขารในขันห้านี่แหละท่านบอกแล้วว่าอานิจาวตสั้งฆาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปาทวยธรรมิโ น, โนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมีกัญสาอะไรไหมเหมือนต้นกล้วยอุปชิตตวานิรูปชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ตัวสุดท้ายนี่สําคัญมาก เตสั่งบูปะสมโอสุขโขถ้าเข้าไประ ง, งับสังขารเสียได้จะเป็นสุขโดยแท้เห็นไหมเตสั่งโวปะสมโอสุขโขนี่พระท่านบางสกุลอ่ะอีกหน่อยท่านกับบางสกุลเราอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือท่านไม่ได้บางสกุลคนตายไม่ได้สอนคนตายหรอกก็ <c oughs> <c oughs> สอนคนเป็นนี่แหละ <c oughs> สอนคนเป็นฮะนะ น, น, น, น, นั่นแหะสั่งลูกสั่งหลานไว้เลยนะอีตอนตายอย่าเอาเอาไปให้กินนะเป็นอาหารของแมวมันนั่นแนหะใช่หรือเปล่าแมวแล้วยังมีการเคาะลงอีกรับศีลนะอ๋ะอพระจะสวดแล้วนะก็ะทำไมเวลาเป็นเป็นอยู่ถึงไม่บอกจะ <laughs> ไม่บอกอตอนตาย <laughs> ปวดโถผมท่องมานั้งสิบ ป, ปีแล้วยังยังไม่ได้ไปถึงไหน้วยอืมน่าใครจะถามอะไรอีกครับนี่คือภาควิปัสสนาต้องเข้าไปรู้อย่างนี้ต้องพิจารณากันอย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติไปมันก็อย่างนั้นนะ่ะปฏิบัติไปก็อย่างนั้นนะ่ะ เพราะเราจะต้องปฏิบัติไปแล้วต้องพิจารณาให้มันเกิดปัญญานี่สิ่งเหล่านี้ต้องพิจารณาต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาทั้งนั้นต้องพิจารณาให้มันเกิดปัญญาแต่การที่จะพิจารณาให้มันเกิดปัญญาได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านสมาธิมาพอสมควรต้องผ่านสมาธิพอสมควรต้องให้จิตสงบพอสมควรเราถึงเราจะพิจารณาให้มันเกิดปัญญาได้ ใช่ใช่ใ ช, ใช่ต้องมีสีก่อน อ, อ้าวไม่ทราบอืมนั่นแหละคือมหาสัจจัน์ความมหาสัจจันทความมหาสัจจัน์ของมหาบรุษ <c oughs> เป็นความมหาสัจจัน์ของมหาบรุษ พระองท่านไม่ไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยพอมาทราตบเราเราเอาในวันนั้นเองตอนที่ลอยถาดอธิษฐานจิตลอยถาดในตอนเช้าวันนั้นหลังจากที่นางสุชาดาเอาอาหารมาถวายขณะนั้นท่านยังไม่ได้ฉันอาหารเอาอาหารนั้นมาปั้นเป็นก้อนได้สี่สิบเก้าก้อนแล้วก็เอาถาดทองบังเอิญเป็นถาดทองนางสุชาดาด้วยความดีใจอ่ะ ด้วยความดีใจได้เห็นพระสมบูญเจ้าของเราในวันนั้นเอาคือรัศมีเปล่งมีผิวพันเปล่งปลั ง, ปลงมากในวันนั้นมันจะมีอยู่สองวันพระองค์ท่านมาตัดในตอนหลังผิวพันของพระองค์ท่านจะเปล่งปลังเนี่ยอยู่สองวันวันตรัสรู้กับวันนิพพานเพราะตอนเช้าทีา่นางสุชาดาเอาอาหารมาถวายนั่นก่อนหน้านั้นน่ะ น, นางสุชาดาใช้ให้คนใช้มาปัดขวาดที่ใต้ต้นไทรนั่นก่อนเพราะว่านางบนเอาไว ให้ได้ลูกเนี่ยจงทั่งลูกโตเป็นหนุ่มแล้วยังไม่ได้มาแก้บนเพราะนางไปอยู่ท่าที่เมืองพราราณสีวันนั้นในคราวนั้นก็มาเยี่ยมบ้านพ่อแม่เยี่ยมบ้านพ่อแม่ที่ที่พุทธคยานี่แล้วก็เลยมนึกขึ้นได้ว่าโอ้ที่เราบนเทวดาบนเทวดาที่ใต้ตนใส่นั่นไว้เมื่อยี่ประมาณ20ปีที่แล้วให้ได้ลูกแล้วบัด น, นี้ได้ลูกแล้วยังไม่ได้แก้บนสักทีก็เลยสั่งให้คนใช้เนี่ย มาปัดขวาที่ใต้ต้นสายเดี๋ยวจะเอาอาหารมาถวายนางคนใช้พอมาถึงที่ต้ต้นสายเห็นผู้เจ้าของเรานั่งอยู่รัศมีเปล่งป ล, งปลงั่งไม่ใช่รัศมีผิวพรรณเปล่งปลงั่งเข้าใจาว่าเป็นเทวดาก็เลยรีบวิ่งกลับไปบอกนางสุชาดานายบอกก็รีบมาเถอะเทวดามานั่งคอยแล้วอืเทวดามานั่งคอยนางสุชาดาก็ดีใจเอาอาหารใส่ถาดทองมาเลยเป็นลูกเสียทีเป็นนายบ้านลูกเสียฐี บ้านของนางสุชาดาที่ขุดค้นในขณะนี้เนีะ่ะเจ็ดชั้นนะเป็นปราสาทเจ็ดชั้นเดี๋นี่ยังเป็นเนินดินเป็นเนินดินเขาเลยเขาเลยปล่อยเอาไว้ไงไม่ไม่ขุดเขาขุดเขาขุดค้นทีหนึ่งแล้วเป็นไอ้ตึกเนี่ยเป็นตึกเนี่ยเจ็ดชั้นออยู่ที่ชายชายแม่น้ําในลัญชราอืมก็เลยนางสุชาดาก็เอาอาหารใส่ถาดทองมาถวายพอถวายผู้เจ้าก็พอมาเห็นผู้เจ้าก็ตกตะลึงนึกว่าเทวดาจริงๆ พอถวายเสร็จแล้วก็ถวายทั้งหมดเลยทั้งถาดทั้งอะไรเลยพุทธเจ้า ก, ก็เลยเอาอาหารมาปั้นเป็นก้อนได้อาหารมัตถุปายาบมาปั้นเป็นก้อนได้4ี่สิบเก้าก้อนแล้วก็เลยเอาถาดทองเนี่ยลงไปที่ชายแม่น้ําชายตะลิ่งแม่น้ําในดันชาราไปอธิษฐานรอยถาดถ้าหากว่าคือท้รง์ได้ตัดได้ตั้งใจอยู่ตอนเช้าแล้วว่าวันนี้น่ยเป็นวันสุดท้ายของเราเพราะเราออกจากบ้านมาหกปีแล้ว ยังไม่บรรลุธรรมที่เราต้องการวันนี้เราจะหาที่